คุณกําลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ต่อใจไม่ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Energy Saving ดําเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัยรวยนรินทร์ควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณกนิษฐทองเงาสนับสนุนรายการโดย ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร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 สวัสดีครับขอฝังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Energy Saving ครับทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีนะครับพบกับผมปิยะพงษ์ KVY รับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ทางวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะครับผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังของเราได้นะครับทางหน้าเพจ Facebook ของสถานีวิทยุราชมงคลทัญบุรีนะครับหรือทางอ่า YouTube Channel ของเราได้นะครับที่ แต่ now RMUTT Radio ก็จะมีรายการของเราในการออกอากาศนะครับติดตามเป็นแต่ละสัปดาห์กันได้เช่นเดียวกันครับประการ Energy Saving Cup โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและร่วมกับทางอ่าสมาคมพลังงานทดแทนศูนย์ชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับในสัปดาห์นี้จะติดต่อนะฮะมาเรื่องติดตามกิจกรรมข่าวสารการอัปเดตกิจกรรมเรื่องของพลังงาน ก็จะเห็นว่าหลากหลายโมเดลต่างๆเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการหาแนวทางในการลดใช้พลังงานเราจะเห็นว่าต่างการเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงที่มีการใช้อ่าพลังงานที่เป็นอ่าจากธรรมชาตินะฮะที่เป็นจากอ่าพลังงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอ่า E20 นะฮะมามาใช้กับรถยนต์ซึ่งก็ถือว่านวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นก็เป็นการอ่า รถไทนะฮะในส่วนของน้ํามันและมีการผสมกันมาก็จะเป็นกระบวนการทางด้านของวิทยาศาสตร์นะฮะแต่กระบวนการจะเป็นอย่างไรนะดูไปถึงข่าวตอนต่างๆของทางสมาคมพูดคุยกับอาจารย์ของเราฮะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัชไทรณรินทร์อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและท่านเป็นนายกสมาคมพลังงานทดแทนดูจุดตําแหน่งประเทศไทยต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ครับผมเลยก็จะครับวันนี้ครับครับผมได้ยินอ่าฮะครับครับผมได้ยินชัดเจนครับผมครับครับผมอ่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทั้งกิจกรรมของทางสมาคมแล้วก็เรื่องของแผ่พลังงานต่างๆนะอาจารย์ก็พลังงานทั้งเรื่องพลังงานสาธารณูปโภคทดแทนก็บอกว่าณตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากที่มีส่วนหนึ่งคือเราเห็นภาพของกลุ่มอ่าในส่วนของอ่าทางครมใหม่แล้วก็ทางของผู้ประกอบการหรือกลุ่มภาคเอกชนชนชนต่างๆเนี่ย อยู่เริ่มมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการอ่าลดใช้พลังงานหลายอย่างก็ก็เห็นภาพมานี้ขึ้นฮะในช่วงในช่วงกระแสในตอนนี้ครับก็จริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่อ่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับในรัฐบาล 52 ที่ท่านให้นโยบายมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีพลังงานต่างๆของในประเทศนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการวิจัยพัฒนาที่มีความเข้มข้นนะครับในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในประเทศให้มันสามารถที่จะอ่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นํามาใช้งานจริงได้เพราะนโยบายต่างๆเนี่ยก็ต้องผูกมานะครับเพื่อส่งรับการวิจัยพัฒนาต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของพลังงานทดแทนนะครับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศเนี่ยก็อ่าเริ่มนะครับขยับเพิ่มขึ้นนะครับใน อ่าสัดส่วนของการใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนเนี่ยก็คาดว่าจากเดิมวางไว้ว่าจะต้องใช้อยู่ประมาณ 20-25% นะครับของสัดส่วนการใช้พลังงานทั่วประเทศนะครับโดยที่จะหันมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็กระแสที่ออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 30% นะครับของการใช้พลังงานภาครวมของประเทศที่หันมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานธรรมชาตินะครับพลังงานทดแทนมากขึ้นเนี่ยนะครับซึ่ง กระแสตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้อ่าวงการของการวิจัยแล้วก็การใช้พลังงานสาหพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะสมาคมแล้วก็ศูนย์วิจัยพลังงานที่ทัญญบุรีเราเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาคีหลักส่วนหนึ่งที่จะไดรฟ์ตัวของพลังงานตัวนี้นะครับเข้าสู่เชิงอ่าวิจัยที่อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เชิงพาณิชย์ด้วยนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลให้ความ สำคัญนะครับในตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสนะครับซึ่งเป็นส่วนของอ่าพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยที่สมาคมเรารับผิดชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้และการพัฒนาแล้วก็การโมเดลทางอ่าพลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตโดยชุมชนนะครับเค้าเรียกว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสของโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบนะครับซึ่ง อ่ารัฐบาลเองเนี่ยครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ทิศทางของกระทรวงพลังงานที่ให้นโยบายมาถึงทุกภาคส่วนเนี่ยก็คือจะเร่งส่งเสริมให้เกิดโมเดลการผลิตพลังงานแบบผสมผสานซึ่งเราก็สมาคมเองแล้วก็ศูนย์จ่ายพลังงานโดยตัวผมเองก็ทําวิจัยทางด้านนี้แล้วก็อ่าโมเดลเนี้ยเราเคยเราเคยอ่าเกิดขึ้นมาครั้งนึงแล้วนะครับในในยุค อาทิ 5 ปีที่แล้วก็เค้าเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนครับ 1 ตำบล 1 เมกะวัตต์นะครับ 1 ตำบล 1 เมกะวัตต์เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับโดยศักยภาพของเชื้อเพลิงภายในชุมชนนั้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีความอ่ามีรายได้ชุมชนมีรายได้อาจจะเกิดจากการพัฒนาตัวโมเดลทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเกิดจาก รัฐบาลมีทรัพย์ได้ส่วนหนึ่งประชาชนในพื้นที่นะครับก็อ่าลงทุนอ่าร่วมร่วมหุ้นนะครับกับทางของบริษัทหรือทางธุรกิจเนี่ยให้เป็นโมเดลนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีความยั่งยืนก็คือบริหารจัดการไฟฟ้าในชุมชนก็คือหลักๆก็คือว่าเอาตัวของอ่าศักยภาพพลังงานในพื้นที่นั้นๆที่มีโพเทนเชียลหรือมีศักยภาพเนี่ยอย่างเช่นว่าที่นั่นลมดีที่นั่นแดดดีนะครับที่นั่นมี อ่าพลังงานคลื่นนะครับที่นั่นมีน้ํานะครับมีเขื่อนนะครับหรือว่าที่นั่นเนี่ยมีศักยภาพของอ่าเอ่อไฟฟ้าที่จะสามารถผลิตได้จากพลังงานจากภูมิทบนะครับเรียกว่าเจโอเทอร์มอลนะครับหรือแม้กระทั่งว่าที่นั่นเนี่ยมีอ่าไบโอแก๊สไบโอแมสหรือว่าชีวมวลนะครับเป็นพืชพลังงานเช่นหญ้าเนเปียร์อะไรจากพืชตระกูลไม้โตเร็วอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมา mix นะครับก็คือมารวมกันเนี่ยเป็นระบบไฮบริดนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีอ่าศักยภาพในการสร้างโรงสาขนาดเล็กเพื่อใช้เองนะครับเพื่อใช้เองนะครับในชุมชนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถจะเป็นโมเดลทางธุรกิจถ้าเหลือนะครับถ้าเหลือจากการใช้ในชุมชนทั้งนั้นก็สามารถจะขายคืนกลับให้กับรัฐบาลเป็นรายได้กลับเข้าไปสู่ในชุมชนนั้นๆได้นะครับก็เรียกว่าเป็นโมเดล 1 greens, นะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยกําลังที่จะหานะครับหาหาพื้นที่หานักธุรกิจหาบริษัทหาชุมชนที่มีความพร้อมนะครับหานักวิจัยนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะทําตัวโครงการลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะเอ่อเป็นการเริ่มต้นถึงเป็นการคิดคอร์นะครับให้สามารถที่จะพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจนะครับให้มีรายได้กลับเข้าไปสู่ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ในตอนนี้นะครับอ่าพลังงานทดแทนเนี่ยหรือพลังงานจากธรรมชาติพลังงานอ่าสีเขียวเนี่ยมันมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของนโยบายของทุกๆอ่ากระทรวงไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงอ่าอุดมศึกษานะครับก็ต้องทําวิจัยเรื่องของพลังงานกระทรวงอ่าพัฒนาสังคมอ่าพัฒนา หรือว่าเอ่อทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเอ่อน้ําเสียนะครับที่ต้องหันมาใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นการเเพหะอะไรต่างๆนะครับก็ก็ต้องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแน่นอนอยู่แล้วครับก็ในเรื่องของน้ําในเรื่องของอากาศในเรื่องของดินในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในเรื่องอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็จะเอาตัวของพลังงานทดแทนเนี่ยเข้ามาอินโวเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ อันนี้เป็นเป้าผู้ใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบระบบต่างๆเนี่ยคนใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับ อบต. อบจ. ชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับครับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของภาคประชาชนถูกมั้ยฮะแล้วก็ในในสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับในในปัจจุบันเนี้ยนะครับ เราเราจะเห็นได้ว่าเอ่อนักวิจัยนะครับอาจารย์นะครับผู้นําชุมชนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเป็นของในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นภารกิจอันหนึ่งนะครับที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องรักษาอ่าเอ่อทรัพยากรต่างๆนะครับรวมทั้งให้ประชาชนเองเนี่ยมีรายได้มีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมของการทําโครงการนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยอ่าไม่สามารถที่จะทําได้เฉพาะอ่าภาคการศึกษาหรือว่าภาคกระทรวงใดๆนะครับมันมันจะต้องมาบูรณาการร่วมกันนะครับบูรณาการร่วมกันหลายๆกระทรวงเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับก็จะต้องบูรณาการหลายภาคส่วนมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงอ่ามหาดไทยนะครับก็หลายๆกระทรวงเนี่ยก็จะต้องมาทํางานร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายนะครับในการในการที่จะทํางานด้วยกันในลักษณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของอ่าสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรกลางนะครับ เป็นโรงพรที่นํานักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจนักวิจัยต่างๆเนี่ยมาทํางานร่วมกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นความท้าทายซึ่งเราเองเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็มีการเสวนากันในเรื่องนี้อ่ะนะครับในวันที่ 31 สิงหาคมนี้นะครับวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคมเนี้ยเราก็จะมีการประชุมร่วมกัน 3 ภาคีนะครับก็คือกระทรวงเอ่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษนะครับ ทางด้านของอักขรสงเคราะห์วิทยาศาสตร์นะครับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาแล้วก็ทางด้านของภาคภาคีของการอ่าการใช้อ่าโครงการนะครับการใช้ระบบบําบัดน้ํานะครับโดยใช้พลังงานทดแทนนะครับเพื่อที่จะบูรณาการโครงการร่วมกันเพื่อจะนําเสนอตัวโครงงานในลักษณะเนี้ยให้รัฐบาลเองเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ <c oughs> อ่ะเป็นองค์กรกลางในการที่จะเป็นโมเดลต้นแบบขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับสมาคมเองเนี่ยก็กําลังอ่า pick up ตัวโครงการที่จะอ่านําระบบของพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียนะครับก็คือการนําเอาตัวของระบบอ่าที่เราได้ทําไว้ที่อ่าองค์การมหานครจังหวัดชัยภูมินะครับที่หนองกระเทานะครับที่ทางขาหมายวิไลกับทีมงานของ อ่าสมาคมนะครับได้ทํางานร่วมกับอาจารย์เนี่ยก็คือการดําเอาตัวพลังงานทดแทนมาทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลน้ํานะครับที่หนองปลาท้าวจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าเข้าใจมากๆนะครับทําให้ตัวของอ่าการใช้พลังงานเพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสียเนี่ยเอ่อลดลงไปเกือบตั้ง 70% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมเดลในลักษณะเนี้ยครับอ่าคันหันเติมออกซิเจนนะครับหรือว่าคันหัน อัดอากาศนะครับก็คือจะใช้พลังงานจากธรรมชาติเข้ามาช่วยในการอัดอากาศเติมลงไปในบ่อบำบัดน้ําการใช้โซล่าเซลล์ในการทําให้น้ําเซอร์คิวเลทและเติมส่วนบับเบิ้ลลงไปนะครับการแยกอ่าตัวเอ่อสารหนักโลหะหนักโดยการใช้วิธีการเคลื่อนที่ของมวลน้ําธรรมชาติต่างๆพวกเนี้ยเราก็จะมีการเสวนากันนะครับในวันที่ so 31 นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะเดวบุรีก็ การติดตั้งของสมาคมพลงานทดแทนศูนย์ศูนย์สนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็จะเป็นการประชุมเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมงานทีเล็ก 12 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยในตัวในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเสวนานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอ่าตัวของการพัฒนานะครับเรื่องของพลงานทดแทนพลางานสาหัสเนี่ยจะแยกมาทําเป็นงานวิจัยเชิงเดียวหรือนวัตกรรมการ ทำงานเพียงเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะยากครับเพราะฉะนั้นนายกสมาคมเองก็คือจะต้องทําอย่างไรเนี่ยจะต้องนําเอาตัวของอุปนายกแล้วก็ความเชี่ยวชาญของสมาชิกแล้วก็กรรมการของสมาคมที่มีความเด่นชัดในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทํางานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีของพลังงานศาสตร์เนี่ยมาใช้ให้ถูกทิศถูกทางแล้วก็ อ่าใช้ให้เหมาะสมสําหรับการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ว่าโรงไฟฟ้าผลงานทดแทนเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้แค่ระบบออฟฟิศใสสาเพียงอย่างเดียวแต่จะทําอย่างไรให้ตัวของระบบผลงานทดแทนเนี่ยนํามาใช้ให้สมเหตุสมผลนะครับกับไอ้ตัวการใช้งานบางบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังนึกภาพว่าอ่าตัวของกังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับตัวโซล่าเซลล์นะครับตัวของกังหัน น้ำผลิตไฟฟ้าคือคิดคิดว่าต้องผลิตไฟฟ้าเอาไปขายไฟหรือว่าเอาไปใช้เอ่อเข้าระบบสายส่งเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงงานทดแทนเนี่ยอ่าเนื่องจากว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กรัฐบาลเนี่ยก็มาอ่าเข้าใจในประเด็นนี้ก็คือว่าในเมื่อโรงไฟฟ้ามีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวของอ่าโรงงานทดแทนเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะต้องสูญเสีย เข้ามาในระบบสายส่งคือผลิตพลังงานทดแทนพลังงานศาสตร์ที่ไหนเนี่ยก็พยายามใช้ให้หมดที่นั่นนะครับพยายามใช้ให้หมดที่นั่นพยายามที่เอ่อสมมุติว่าโรงไฟฟ้าในชุมชนเนี่ยก็ผลิตในชุมชนแล้วก็ใช้พยายามใช้ให้หมดในชุมชนนั้นก็ก็ลดการใช้ซอสซิ้วในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือการที่จะการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องรวมหลายองค์กรเข้าด้วยกันแต่เป็นสิ่งที่เดินทางมาถูกต้องแล้วครับ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่สมควรที่จะสูญเสียเข้าไปในสายส่งซึ่งจะต้องมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าในการที่จะเอ่อดันแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นนะครับก็จะมีการสูญเสียในสายในหม้อแปลงในหลายๆต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นอ่าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าหลักก็คือเป็นโรงไฟฟ้าฟอสซิลอยู่แล้วเนี่ยก็ก็เค้าจะมีค่าสูญเสียพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นทะเลนะครับไบโอแก๊สไบโอแมสขาดและอื่นๆต่างๆเนี่ยสมควรจะใช้ที่นั่นและรักษาเสถียรภาพไฟฟ้าสายใสนะครับคือทุกวันเนี้ยนะครับไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากต้นอ่ากําเนิดของโรงไฟฟ้าหลักเนี่ยอย่างเช่นว่าอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าไปไกลมากแล้วก็มีแรงดันที่ปลายสายอ่ะนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังมีหลายจุด หลายพื้นที่นะครับที่ไฟฟ้าที่อยู่ห่างจากสายส่งไปมากเรียกว่าไฟฟ้าปลายสายเนี่ยเมื่อมีภาระโหลดไฟฟ้ามากๆเนี่ยก็จะทําให้ระบบต่างๆพวกนี้ทําให้เกิดการอ่าที่เรียกว่าไฟฟ้าไม่เสถียรที่ปลายสายนะครับคือห่างไกลจากจากสายส่งต้นทางมากเนี่ยก็จะทําให้ตัวของแรงดันไฟฟ้าตกลงนะครับแรงดันไฟฟ้าตกลงความถี่ก็ไม่ถึง 50 เฮิรตซ์นะครับก็จะมีผล นะครับต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนนะครับก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นความจริงนะครับเป็นภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยก็จะช่วยในการรักษาเสถียรภาพไฟฟ้าสายสายไว้นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีตัวของชาร์จจิ้งสเตชั่นนะครับคล้ายๆกับรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าในชุมชนอะไรต่างๆพวกเนี้ยไฟฟ้า ที่ได้แต่พลังงานทดแทนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมแม่ไฟฟ้าอ่าโรงไส้หลักเนี่ยอ่ามีการอ่าทํางานที่หนักมากเกินไปนะครับทําให้เกิดการเบลคเอาท์หรือว่าไฟฟ้าดับทั่วเมืองเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐเนี่ยก็หน้าที่จะส่งเสริมนะครับให้ใช้อ่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตั้งกังหันลมและสายใบฉายการตั้งระบบไฮบริด โทรสายชุมชนและสายไฟฟ้าปลายสายหรือว่าใช้ในชุมชนเนี่ยมาถูกต้องถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าตัวของโรงไฟฟ้าหลักเนี่ยก็จะอ่ารู้อย่างชัดเจนว่าอ่าจะต้องผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลออกมาเท่าไหร่แล้วก็ลดการใช้ฟอสซิลได้อย่างชัดเจนนะครับลดการนําเข้าเชื้อเพลิงลดการนําเข้าก๊าซนะครับถ่านหินหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับได้อย่างเป็นเลขระยะที่สําคัญพอรู้ระบบต่างๆพวกนี้นะครับ เราก็อ่าจะมีระบบเค้าเรียกว่าไมโครกริดไมโครกริดมากขึ้นไมโครกริดก็คืออ่าโรงไฟฟ้าขนาดย่อมขนาดเล็กนะครับที่รักษาทั้งไฟฟ้าป่ายสายนะครับอ่าสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือในที่จากการใช้พื้นที่นั้นเนี่ยอ่าขายคืนให้กับรัฐนะครับแล้วก็ไอ้ตัวของแผน PDP หรือว่าแผนประดับการงานไฟฟ้านะครับของประเทศเราเนี่ยก็จะอ่าไปได้ถูกที่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าคิดว่าในประเด็นที่อ่าโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับอ่าเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนักวิจัยนะครับสําหรับอ่าตัวของประเทศแล้วก็สําหรับตัวของอ่าอาเซียนนะครับที่จะขยายในเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์พิตนะครับก็คือจะมีการนําเอาตัวของพลังงานทดแทนเนี่ยสามารถที่จะขายได้ในตัวสายส่งของอาเซียนที่จะต่อเชื่อมถึงกันหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้น อภาพดวงของอ่าประเทศเรานะครับให้นึกภาพว่าถ้าเราอ่ามีโรงธุรกิจชุมชนหรือว่าโรงธุรกิจที่รักษาเสถียรภาพไฟฟ้าปลายสายนะครับเรียกว่าอ่า grid stabilizer renewable energy pack อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการรักษาปลายสายด้วยนะครับมีโรงธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เหลือก็ขายไฟนะครับคืนกลับให้กับรัฐด้วยเนี่ยอ่าถ้าเรามองภาพวงกลม นะครับของประเทศที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วอ่ะนะครับในฐานะของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยมีอ่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีอ่านะ 76 จังหวัดอะไรต่างๆแต่แต่เราให้มองภาพก็อ่าว่าอ่าสมมุติประเทศเรามีอ่า 70 10 จังหวัดนะครับคือกรุงเทพฯบริเวณมณฑลเนี่ยก็รวมๆอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติมี 70 จังหวัดนะครับเราก็มี 7,000 อำเภอนะครับแล้วก็มีอ่า 7 7,000 ตำบลนะครับแล้วก็มี 70,000 หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอ่าตัวของตัวของอ่าโรงไฟฟ้านะครับที่จะไปเชื่อมต่อใน 70,000 หมู่บ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไม่ต้องอ่าโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องครบอ่า 1 เมกะวัตต์ต่อ 1 หมู่บ้านหรือว่า 1 ตำบลเนี่ยนะครับเอ่อเรามีอ่าตัวโรงไฟฟ้าที่จะเข้าไปเสริมเนี่ยอ่าที่รับสักประมาณสัก 100 กิโลวัตต์นะครับเราเราก็มีโรงไฟฟ้านะครับ อ่ากําลังทดแทนรักษาสายสายด้วยอะไรนะครับเอ่อก็เกือบ 700 เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นพอไอ้ฟัง 700 เมกะวัตต์เนี่ยก็เป็นไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของ 1 ก็คือเอาไว้ใช้ในการควบคุมอ่าไฟฟ้าสายสายนะครับให้ให้มีเสถียรภาพที่มั่นคงขึ้นนะครับอันที่ 2 อ่าเป็นโมเดลทางธุรกิจนะครับให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้นะครับก็คือไปทั้งในชุมชนชุมชนก็มีรายได้เงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการขายไฟฟ้าในชุมชนขายส่งกลับคืนไปให้รัฐเนี่ยก็กลับมาที่ของทุนหมู่บ้านนะครับของทุนหมู่บ้านก็สามารถที่จะนําอ่ารายได้ตรงนี้ไปพัฒนาตัวหมู่บ้านของตัวเองจากการขายไฟเป็นการสร้างงานนะเกิดการสร้างงานในชุมชนในตําบลนั้นๆนะครับก็ลูกหลานที่จบการศึกษามานะครับก็ได้กลับคืนบ้านนะครับได้ดูแลโรงไฟฟ้าชุมชนของตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงได้ว่าถ้าเราเนี่ยมีอ่าสักประมาณ <ม. S 1> 7,000 ตำบลนะครับ 70,000 หมู่บ้านนะฮะเราไม่ต้องครอบถึง 70,000 หมู่บ้านนะฮะเราเอาแค่ตอนนี้ก็สักตำบลละ 200-300 กิโลวัตต์เนี่ยเราก็มีโรงสาผลงานทดแทนอยู่เกือบ 1,000 เมกะวัตต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ได้ว่าไอ้ตัวของโครงสร้างในโรงสาโรงสาชุมชนหรือว่าไฟฟ้าเพื่อรักษาเสียเสียเสถียรภาพสายสายของสายส่งของชุมชนของปลายสายเนี่ยก็จะถูกทิศนะครับ สู่ทางของการใช้พลังงานทดแทนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นั้นๆนะครับมีสภาพเป็นไรนะครับสมมุติที่แดดดีนะครับลมดีก็อาจจะไฮบริดระหว่างทางหลอนฤทธิ์ไฟฟ้ากับอ่าตัวโซล่าเซลล์นะครับที่นั่นอาจจะมีอักอ่าน้ําดีนะครับมีน้ําตกมีลําธารมีคลองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแดดดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีลมดีด้วยนะครับก็เป็น 3 ไฮบริดนะครับก็เป็น อ่าโรงสาพลังงานน้ําขนาดเล็กนะครับลงไฟฟ้ากระแสลมแล้วก็ลงไฟฟ้าแดดนะครับในชุมชนนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับมีฟาร์มไฮบริดแต่ถ้าในชุมชนไหนที่มีศักยภาพดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นว่ามีทั้งไบโอแก๊สด้วยมีเนื่องจากว่าชุมชนชุมชนนั้นเนี่ยมีการอ่าเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าอ่าสุกรเอยฟาร์มโคนมเอยอะไรต่างๆก็สามารถมาหมักเป็นแก๊สสุขาภิบาลนะครับเลี้ยงโคนมด้วยมีหญ้าเนเปียด้วย นะครับก็มาหมักทําไบโอแก๊สนะครับมีลมดีด้วยนะครับที่ไหนที่มีอากาศโปร่งนะครับอ่าทุ่งโล่งปลูกหญ้าไส้เปียได้ก็ต้องลมดีมีแดดดีถ้าลมดีแดดดีดินดีนะครับที่นั่นก็อาจจะเป็นนะ 4 ไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งโทรไฟฟ้าลมโล้ฟ้าแดดโทรไฟฟ้าจากเอ่อก๊าซธรรมชาติไอ้ไบโอแก๊สอ่าไบโอแมสแล้วก็มีโรงอาจจะมีน้ําน้ําดีนะครับน้ําในคลองดี มีเขื่อนขนาดเล็กที่ปล่อยน้ําทิ้งโดยประโยชน์นะครับหรือว่ามีน้ําตกนะครับที่มีการไหลของน้ําตลอดปีก็จะเป็น 4 ไฮบริดนะครับเป็นทั้งเอ่อวอเตอร์สบายนะครับควบไฮบริดกับไบโอแมสไบโอแก๊สนะครับลมแดดอันนี้ก็สามารถจะทําได้เป็นเมกะวัตต์นะครับเนื่องจากว่ามีศักยภาพที่ดีที่ไหนที่ไม่มีศักยภาพเยอะอาจจะมีแค่ลมดีไม่มีพื้นที่ตั้งการเอ่ออาหารลมเยอะไม่มีพื้นที่ตั้งเอ่อตัวโซล่าเซลล์เยอะก็จะใช้โซล่าเซลล์รอยน้ํา นะครับที่นั่นมีเอ่อศักยภาพของเอ่อน้ําในบ่อเยอะนะครับแทนที่จะปล่อยให้บ่ออ่านิ่งๆนะครับน้ําระเหยทิ้งไปก็เอาโซล่าเซลล์ลอยน้ําโซล่าโซดไปให้ไฮบริดกับอ่าตัวของไบโอแก๊สไบโอแมสหรือสังหันน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลลักษณะนี้ครับจะทําให้ตัวของโรงไส้ผลงานทดแทนเนี่ยไม่เป็นภาระของโรงโรงไส้หลักนะครับก็คืออ่าพลังงานทดแทนเนี่ยถ้าไฮบริดกันหลายๆตัว ก็จะช่วยกันฮะแต่ช่วยกันสร้างอ่าความสมดุลนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะกลางวันมีแต่แดดนะครับหรือว่ามีเฉพาะลมหรือว่ามีเฉพาะตัวของไบโอแมสนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับก็ขึ้นอยู่กับโครงสายนั้นๆนะครับชุมชนนั้นๆการจัดการพลังงานในโซนนั้นๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามามองดูแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้น ในเรื่องของการวิจัยที่เป็นซิงเกิลเทคโนโลยีนะครับก็คือถ้าใครทําวิจัยทางด้านของโซล่าเซลล์ก็ทําไปเรื่องโซล่าเซลล์ไปใครทําวิจัยเรื่องของกังหันน้ําก็ทําวิจัยกังหันน้ํานะครับใครทําวิจัยกังหันลมก็ทําวิจัยกังหันลมแต่เซนนั้นใหม่เนี่ยไม่ใช่แต่ครับคือคือจะต้องต้องเป็นไฮบริดกันต้องทํางานร่วมกันนะครับให้ทุกอ่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะ ทำการปลิกไฟฟ้าเข้าไปในสายส่งไปช่วยกันได้นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกครับเป็นทิศทางที่ถูกที่เอ่อรัฐบาลเองเนี่ยจะส่งเสริมการเอ่อปลิกไฟฟ้าในชุมชนนะครับแล้วก็ช่วยรักษาเสถียรภาพรายสายด้วยประชาชนในพื้นที่ก็มีรายได้ด้วยได้ขายเชื้อเพลิงนะครับอย่างเช่นปลูกย่าเนปียนะครับปลูกมาให้โตเร็วส่งลงไปฟ้าชุมชนนะครับเงินรายได้ก็กลับคืนสู่อ่ากองทุน หมู่บ้านนะครับสามารถจะให้ประชาชนในในในในถึงในพื้นที่ที่ตั้งโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนได้ด้วยนะครับใครมีมากใครมีน้อยนะครับก็มาช่วยกันนะครับก็ผมคิดคิดว่าในในตัวของนโยบายของของรัฐตอนนี้ที่อ่าหนังสือพิมพ์หรือว่าในทางของสื่อต่างๆได้ออกมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ไปในทิศทางเดียวกันกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย นะครับก็ก็คิดว่าจะทํางานอย่างนี้นะครับผมครับครับครับผมก็คิดดูว่าโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบถ้าใครติดตามรายการของเราอยู่ก็คงจะได้เห็นข้อมูลที่เราคุยกันกับอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็จะบอกทิศทางว่าแน่จริงๆเนี่ยเหมือนนโยบายเหมือนหลักการบางส่วนเนี่ยเรามันตั้งทงกันไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราต้องมีหาทางเลือกหาโรงไฟฟ้าชุมชนอาจารย์พูดมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มรายการซึ่งตอนนี้เองรัฐบาลเองก็ อ่าเห็นไม่เข้าสนใจกับเรื่องนี้แล้วงี้แล้วก็ครับอยู่อยู่ในช่วงการที่จะหาพื้นที่แล้วก็ร่วมกันน่าจะมีหน่วยงานต่างๆเอามาร่วมกันคุยกันอีกเพิ่มเติมนะอาจารย์เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะคุยกันอีกครั้งนึงทั้งประเด็นนี้แล้วก็เป็นอื่นๆโดยทางการอ่าจะมีงานเสวนาประชุมของทางสมาคมมาด้วยในวันที่ 31 สิงหาคมนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอรบด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผม นี่คือทั้งหมดของ Energy Saving ในสัปดาห์นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมที่ 8:05 วิทยุราชมงคลทัญบุรีวันนี้ผมปิยพงษ์กันทวายพร้อมด้วยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัชชัยนรินทร์ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ Energy Saving สนับสนุนรายการโดยศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 RMUTT Radio.